ข้อที่38จริงอยู่การครบประดิษฐ์แม้วาระเดียวก็เป็นการรักษาตนได้การครบคนพาลแม้สิ้นการช้านานก็หาเป็นการรักษาตนได้ไม่จริงอย่างนั้นนันทพรามไปสู่กรุงอินทปัตในที่สุด120โยชี่โยจากกรุงตกัศิลาเมื่อจะแสดงธรรมแด่พระเจ้า มหาสุตโสมจึงกล่าวคาถานี้ในมหาสุตโสมชาดกว่าข้าแต่พระเจ้าสุตโสมการครบกับสัตว์รุษทั้งหลายครั้งเดียวเท่านั้นการครบนั้นย่อมคุ้มครองบุคคลนั้นได้การคบรบอสัตวุรุษทั้งหลายมากครั้งหาคุ้มครองได้ไม่บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสกิ เทวะแปลว่าว่าระเดี่ยวเท่านั้นบทว่าสัพพิแปลว่าด้วยสัตบุุษทั้งหลายหลายบทว่าสานงสังคติความว่าการสมาคมด้วยสัตบุุษนั้นแม้เป็นไปคราวเดียวก็ย่อมคุ้งครองคือรักษาบุคคลนั้นได้บานคถาว่านาสัพพิ พระหุสังคโมความว่าส่วนการคบคือการอยู่อาศัยในที่แห่งเดียวกับอสศัตบ์บุษทั้งหลายที่บุคคลทำแล้วแม้ตลอดการนานหาคุ้มครองได้ไหมอธิบายว่าไม่เป็นการถาวร